12. สติสัมปชัญญะคืออะไรสติและสัมปชัญญะเป็นองค์ธรรมคนละตัวกันสติเป็นองค์ธรรมชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับระลึกรู้กายระลึกรู้ใจหรือระลึกรู้อารมณ์ต่างสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อคุณธรรมฝ่ายดีจะเกิดไม่ได้ถ้าขาดสติเพราะถ้าขาดสติจะขาดคุณงามความดีทั้งหมดถ้ามีสติจะมีโอกาสเกิดคุณงามความดีทั้งหมด แต่ถ้ามีสัมมาสติจะไปมรรคผลนิพพานสติกับสัมมาสติไม่เหมือนกันสติเป็นแค่ใจเราไปเกาะเกี่ยวไประลึกรู้อารมณ์ที่ดีเป็นกุศลเป็นบุญแต่ถ้าสัมมาสติเป็นการที่สติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจกายเป็นอย่างไรรู้ลงไปไม่ลืมกายไม่ลืมใจของตนเองถ้าเรามีสัมมาสติ เราจะรู้ความมีอยู่ของกายรู้ความมีอยู่ของจิตใจสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาองค์ธรรมของสัมปชัญญะคือองค์ธรรมเบื้องต้นเป็นปัญญาที่จะคอยกํากับการเจริญสติของเราให้อยู่ในร่องในรอยอย่างเวลาเราภาวนาเดี๋ยวก็เป็นสมถะเดี๋ยวก็เป็นวิปัสสนาสัมปชัญญะจะทำหน้าที่เตือนให้เรารู้ว่าเราทำอะไรทาสมถะหรือวิปัสสนา เรารู้เลยว่าเราทำเพื่ออะไรวงเล็บเปิดสมถะทำเพื่อความสงบความสุขวิปัสนาทำเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นวงเล็บปิดทำอย่างไรเช่นถ้าน้อมใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องก็เป็นสมถะถ้ารู้กายรู้ใจด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางก็เป็นวิปัสนาและเวลาทำก็ไม่ขาดสติไม่หลงไม่เผลอไปทาอย่างอื่น เช่นถ้าใจฟุ้งแล้วรู้ทันเรียกว่ามีสัมปชัญญะคล้ายคมีคนคอยกํากับเส้นอยู่ดังนั้นสติและสัมปชัญญะจึงเป็นเครื่องช่วยในการเจริญสติปัฏฐานเรียกว่าสติปัญญานั่นเองแต่เป็นปัญญาเบื้องต้น